ท, ที่นี่ก็เป็นจุดพักสำหรับการค้างคืนค้งแรมเป็นคืนแรกวันนี้เราก็ได้เดินด้วยกันมาพอมสมควร ระยะทางก็ไม่มากน ะ, ะ10กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องอเส้นทางที่เราเดินมาตลอดทั้งวันก็เป็นเส้นทางที่จะเรียกว่าอันเีนก็ได้นะสำหรับธรรมญาตราคนที่เดินธรรมญาตรามาหลายครั้ง หรือแม้แต่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินเรียบนาผามาเกิดจะตลอดเมื่อตอนบ่ายนะเราก็ได้ทราบถึงอดีตนะของชาวบ้าน ที่ปีนเขาขึ้นมาหักร้างถังพงตรงจุดที่เราได้พักเพลนนะก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาขึ้นลงเขาเป็นประจำสมัยที่ยังไม่มีถนนถนนที่ผ่านหน้าวัดปรงช้างคือวัดที่เรา กลางงานตอนนี้ก็เพิ่งสร้างเมื่อปีสองห้านี้เองและตอนนั้นก็ยังเป็นถนนลูกรังกว่ า, วาจะราดยางก็ประมาณปีส<ว>ามแปดนี้ก็เพิ่งครบยี่สิบปีนะที่มีการราดยางให้กับถนนนะที่ขึ้นมาจากแก้งครอ เมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยถ้ า, ถาว่าเรานั่งเครื่องบินผ่านอยู่เหนือภูแลนคาภนะูแลนคาหรือภูโค้งเนี่ยถ้าเป็น40ปีที่แล้วนี่ก็จะเห็นแต่ต้นไม้นะเรกว่าเป็นทะเลต้ตนไม้เลยเป็นทะเลต้ตนไม้ที่ายาว<ม>เป็นพืชนะ ความเปลี่ยนแปลงนะมันเกิดขึ้นเมื่อมีการทำไม้อันนี้พอช่วยก็ได้พูดไปตอนตอนเทนนะว่าตอนบ่ายเนี่ยว่ามีการมีการทำไม้ขึ้นอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้าน แม้จะขึ้นมาบนหลังเขาเขาก็อยู่กันเป็นหย่อมเล็กๆไม่สามารถจะหักร้างถางคงได้มากเท่าไหร่เพราะว่าป่ามันหนารกมากต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบชาวบ้านเนี่ยก็มีแค่เลื่อยธรรมดาไม่มีเลื่อยยน จะเลื่อยต้นไม้นะให้ขาด ก, ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าบริษัททาไม้เนี่ยเขามีอุปกรณ์นะมากมายเช่นเลื่อยยนต์นะมีรถขนไม้แล้วก็สามารถจะตัดให้เป็นทาง ทักลากไม้ได้การที่มีบริษัทนะมาทำไม้ตั้งแต่เมื่อักสี่สิปีที่แล้วประมาณปีหนึ่งสองหนึ่งสี่เนี่ยมันเป็นการเปิดทางนะเป็นขั้งแรกให้ผู้คนจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแต่ก่อนก็ขึ้นมาเพื่อรับจ้างทำไม้ รับจ้างชักล่างไม้รับจ้างตีปลารับจ้างเลื่อยแส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาในลักษณะนั้นแต่ที่ประเภทขึ้นมาตั้งรกร่างนี่น้อยมากเพราะว่าป่ามันทึบมากประเภทว่าจะจุดไฟเผาเนี่ยไม่ต้องคิดนะเพราะว่ามันชื้นมาก แต่ว่าพอมีการทำไม้ขึ้นบนหลังเขามีการตัดต้นไม้ใหญ่ๆก็เป็นการเปิดพื้นที่เปิดทางให้ชาว บ, บ้านจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเมื่อมีการทำไม้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มขึ้นมาอยู่นะอาศัย จะมาอยู่อาศัยได้ก็ต้องมีการหั ก, ร, ก, หกร้างถังผงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าแม้ว่าป่าเนี่ยมันจะผ่านการผ่านการทำไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีไม้ต้นใหญ่ๆอยๆู่เยอะบริษัททำไม้นี่เขาตัดไม้ไม่หมดนะเพราะมันหมดเวลาสัม ป, ปทานก็จะเลือกกา ต, ตัดต้นใหญ่ๆจริงๆ ต้นใหญ่แบบปานกลางปานกลางนี่รอสามสี่คนโอกเนี่ยนะเขาไม่ตเขาไม่ตัดนะเพราะว่าเวลามันไม่พอนะมันก็เหลือทิ้งค้างเอาไว้ชาวบ้านเมื่อขึ้นมาชาวบ้านที่ขึ้นมาก็เพราะว่าไม่มีที่ทํากินนะเก็ก็มาอาศัยพื้นที่ป่านี่หละเรียกว่ามาตายจาบนาบน หลังขาวนี้และวิธีห nah. <Ah er ักรางถางป่งของเขาเนี่ยก็คำเขียนได้เคยเล่านะอันนี้ก็ประมาณทุกสี่สิบปีที่แล้วก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเลื่อยไม้เลื่อยต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้น เลื่อยไม่ถึงกับตัดให้ขาดนะก็ทำอย่างนี้กับต้นไม้ทุกต้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็วกพอทำอย่างนี้ได้ <c oughs> พอสมควร <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> เลือกต้นไม้ที่สูงใหญ่แล้วก็ <c oughs> เลือยต้นไม้นั้นให้ขาด นไม้นั้นเนี่ยตนน้นไม้ก็จะโคลล่นล้มลงมาแล้วก็จะมาทับต้นไม้ต้นอื่นๆที่เขาเลื่อยนะเกิดจะขาดอยู่แล้วเราก็นึกภาพนะเพียงแค่ ต, ตัดต้นไม้ต้นเดียวให้ขาดเนี่ยมันก็จะล้มกันเป็นเรียกว่าระเนรนราศแบบโดมิโนโ น, นะเลื่อยแค่ต้นเดียวนะนะั่นแหละ มันก็ไปกว่าดเอาต้อ น, น <Yeah. S 1> อื่นๆนอเป็นเรียกว่าเป็นเป็นลูกโซ่เลยนะหลพ่อท่าเล่าว่าเนี่ยเสียงต้นไม้ที่ถูกโค่นแล้วก็ล้มลงมาเนี่ยมันดังตลอดเวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงเลยเราลองนึกภาพนะแสดงว่าต้นไม้มันต้องเยอะมาก แล้ต้นไม้มันก็จะกองแล้วเกลี่รับกับชาวบ้านนี่ทำอะไรไม่ได้กับต้นไม้ที่กองนะจะเผาก็เผาไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้านแหลงนั <And> ่นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการหักรังถังพงถังป่าด้วยนะไม่ใช่ถนะังพงอนะ่ะแล้วเวลาชาวบ้านนี่ก็จะลงนะ ตรงจะปลูกเนยนะหรือว่าปลูกข้าโพดเนี่ยก็ mm. ต้องเดินไปต้องเหยียบบนขอนไม้นะ mm. แล้วก็น้มตัวลงไปเพื่อเทีย่อนหนะ <c oughs> ย่อนในข้าโพดหรือว่าปลูกเนยเท <c oughs> ้านี่ไม่ได้เหยียบดินเลยนะเท <c oughs> ้านี่เหยียบทับ <c oughs> ขอนไม้ <c oughs> เพราะว่า ก่อนม้นี่มันล้มเนี่ยเต็มไปหมดนะเต็มพื้นที่ก็จะเหลือช่องว่างนะช่องว่างพอที่จะหย่อนหรือยอดพวกเขาโพดนะเดือยแล้วก็ให้มันโตขึ้นมาตามช่องว่างนั่นแหละนะแต่แล้วก็ก็เก็บเกี่ยวก็คงได้ไม่มากนะเพราะว่าพื้นที่ มันเป็นถูกขอนมันล้มทับใชเป็นส่วนใหญ่ท่า<ข>นพอถึงหน้าแรงนะเขาก็จะกำจัดขอนนะั้นด้วยการเผานะคันี่เผาได้ละพอถึงหน้าแรงหน้าร้อนก็นจะเผาขอนไม้เนี่ยเราก็ไม่รู้จาเป็นต้นอะไรบ้างอาจจะเป็นประดูอาจจะเป็นตะเคียนอาจจะเป็นมะค่า ไม่มีการเลื่อยนะเผาอย่างเดียวเพราะว่าต้องการเอาที่เนี่ยมาปลูกด้วยปลูกขก็โพดต่อหลังก็มาปลูกมันสัมหลังสัมประหลังนี่ก็หลวงพ่อจะเรียกว่าเนี่ยพอมช่วงป่าแตกนะป่าแตกก็ประมาณหนึ่งเจ็ดเนี่ยเพราะคนก็มานิยมปลูกมันสัมปหลังนโยบายรัฐบาลสนับสนุน ให้ปลูกมันสัหผัังก็เลยขึ้นมาปลูกกันใหญ่อันนี้ก็คือภาพเดียวกับที่เกิดขึ้นจังหวัดหน้านเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นปลูกก็แหละเขาโพใช่ั้ยเรื่องเดียวกันเลยนะแต่ว่าวิธีการโคนต้นไม้เนี่ยที่น้านเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดดกดํำบันนะแบบที่ทําที่นี่เมื่อสี่สิบปีที่แล้ว เมื่อสัก20ิปีที่แล้วที่หน้าเนี่ยนะเราคงจะเห็นเต็มไปด้วยต้นไม้แต่ตอนนี้นี่โกรธหมดละก็ปลูกข้าวโพดกันแล้วที่ชาวบ้านก็มาปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลสนับสนุนัาสนก็เลยมาปลูกกันใหญ่เลยแล้วก็ได้ได้เงินกู้ จากท้าวขซอรหรืออะไรต่ออะไรแต่เมื่อส0สิบปีก่อนนี่ชาว บ, บ้านเขาค ง, งจะไม่ค่ยได้มีใครมา ส, าสนับสมุัมากเท่าไหร่นะก็ขึ้นมาปลูกกันแบบนี้แหละปนะีหนึ่งเจ็ดนี้รถป่าแตกเลยนะเพราะว่ามาปลูกมันสำปหลัง้นเหตุการณ์นี้มันก็ซ้ำรอยนะในที่อื่นอีกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสำปหลังเป็นข้าโพดนะอันนี้ก็เป็น เรื่องที่เราควรจะรับรู้ไว้นะเพราะว่าเรามาถึงนี่แล้วก็ควรจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมายัางไงเพราะว่าทุกสี่สิบปีก่อนที่นี่เนี่ยคงจะอมีศิงสารสัตว์มากขนาะตรงนี้ยังเรียกว่าโป่งช้างเลยนะ แ, แสดงว่ามีช้างพอสมควรสุขโตนี้ก็เคยมีช้างนะมีช้างอยู่ฝูงหนึ่งนะ แต่ว่ามันถูกยิงถูกยิงก็เลยก็เลยหนีหลวงพ่อบุญธรรมกับชาวบ้านเขาเล่าเนะ่ที่สุกโตเนี่ยตรงที่เป็นเป็นศาล า, า, าออไตรแล้ว ก, ก็เป็นเขตรบาศิกาเนี่ยตกอนเนี่ยมันเป็นมันเป็ น, น, ปนไรโกโพดนะเป็นของชาวบ้านแล้ว ทางเนี่ยมันลงมาจากเขาลงมาจากเขาหอไตรนี่แหละลงมาแล้วก็กินข้าวโพดชาวบ้านเจ้าของที่ก็เลยยิงปรากฏวมีตัวหนึ่งบาทเจ็บที่เหลือนั้นทำยังไงรู้มหมหนีเลยนะประกบเลยแล้วก็หนีไอ้ตัวที่บาทเจ็บแล้วก็ค่อยๆค่อยๆด้วยถ้าเป็นบแบบมันก็คือ่อยๆประยุงค่อยๆประยุงนะพาไป ย้ายที่แต่ว่าจากที่เราที่ชาวบ้านเขาบอกมันมันมันหนีบดนะสองตัวนี้ขนาดแล้วก็หนีบหนียอีกตัวที่บาดเจ็บนี่มันเดินก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็นั่นแหละคือช้างฝูงสุดท้ายนะที่ชาวสุกโตคนเรคก็คงไม่ใช่มีช้างพี่นันที่เดียวนะโ่งช้างนี่ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ก็คงเป็นที่ที่ช้างเนี่ยมากินโป่งหรือว่ามาชุมน ม, มกันนั่นคือเหตุการณ์เมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่หลายคนก็เกิดแล้วแลวความเปลี่ยนแปลงนะของของธรรมชาติที่ทนี่ก็เกิดขึ้นเร็วนะโดยเพาะเมื่อมีถนน สมัยที่ชาวบ้านเนี่ยเดินขึ้นมาก็คงจะขนอะไรมาไม่ได้มากแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยธรรมชาติเรียกว่าเป็นใหญ่ธรรมชาตินี่เป็นใหญ่คนนี่เป็นเพียงแค่ผู้อาศัยแต่ว่าหลังจากพอยิ่งสร้างถนนคนก็กลายเป็นผู้ยิดครอง ธรรมชาติก็กลายเป็นแค่ผู้อาศัยนะมันเกณฑ์บทบาทนะแต่ก่อนนี่ธรรมชาตินีเป็นเจ้าของบ้านคนแค่เป็นแค่ผู้อาศัยบ้านเรือนก็หลังเล็กๆแต่ตอนนี้คนเป็นผู้ยึดครองเจ้าของสถานที่แต่ต้นไม้ป่า น, นี่ก็เป็นแค่ผู้อาศัยก็แล<ต>้วแต่ว่ า, าใครจะมีเม่ตา ให้เขาหลบลีห้หนีภัยหลวพ่อเขียนให้ก็จะเรียกว่าอนุรักษ์ป่าไว้เนพะื่อให้ป่านี่ได้มีที่ได้มีที่พักที่อาศัยแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบที่ภูหลงแล้วก็ที่ป่าภูกลางลบนหลังเขานี่ก็มีพื้นที่ป่าจริงๆก็สามแผงเท่านั้นแหละ ตัวก็โตมีป่าประมาณห้าร้อยไร่ผูกลางก็ประมาณพันไร่ผูหลงก็ประมาณสามสี่พันไร่นะนั่นคือที่หลบซีนีไพนะของต้นไม้นะรวมทั้งพวกหมูป่าก็มาหลบรีนีภัยก็ตรงนั้นแหละอันนี้มันก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนแค่ชั่วอายุคนเดียวอันนี้เราก็มา รับรู้ไว้นะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเมื่อป่ามันเหลือน้อยลงต้นไม้เหลือน้อยลงเราจะอนุรักษ์ารักษาไม่ให้ถูกทํำลายมากไปกว่านี้ได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะเท่านั้นแต่ว่าที่อื่นๆด้วยซึ่งแม้จะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเรานแต่ว่า ก็เป็นสมบัตินะของชาติเป็นสมบัติของโรคที่เราควรจะรักษาไว้หรือว่าจะนึกมองว่ามันเป็นสมบัติเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานเราก็ได้นะอันนี้ก็เราก็คงจะได้มาเห็นได้เรียนรู้จากสภาพ ของพื้นที่ที่เราไม่ได้ดูด้วยตาแตา ว, ว่าเฉพาะการเดินนะของเราวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็วันต่อๆไปเราก็จะเดินไกลกว่า น, นี้แล้วก็เส้นทางอาจจะไม่ได้สวยเท่านี้ยกเล้นนะวันที่ห้านะ ก็จะเป็นอันซีนอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอเม a ซิ้นก็ได้ถ้าเราอยู่ถึงแต่ว่าอันซีนที่อยากจะให้เราได้รู้จักสัมผัสพบเห็นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราวันนี้อาจจะไม่เห็น แต่ว่าวันต่อไปเชื่อว่าถ้าเรา่านมาดูเจตดูใจของเราระหว่างที่เราเดินก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นตรวนั้งเห็นความสามารถที่เราอาจจะไม่นึกว่าเรามีหลายคนเริ่มต้นเดินด้วยความไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเดินได้ไหม แล้วก็จะรู้สึกท้อบ้างนะสาหรับการเดินในวันแรกเพราะว่าเป็นการเดินแค่สิบกิโลนะก็เรียกว่าน้อยที่สุดสาหรับการเดินอีกเจ็ดวันที่เหนือหลายคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ขนาดแค่นี้ก็ยังไม่ค่อยไหวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยิ่งเดินเราก็จะยิ่งทำได้ดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเรืเ่อย อันนี้รับประกันได้จากประสบการณ์ที่พาคนเดินมาสิบห้าครั้งสิบหกครั้งแล้วไม่ใช่สิบห้าครั้งที่นี่เทนั้แต่ว่าที่อื่นด้วยวันนี้เนี่ยอาจจะดูเหนื่อยนะหลายคนจะรู้สึกเหนื่อยปวดเมื่อยแล้วก็พรุ่งนี้นะจะปวดเมื่อยยิ่งขึ้น แต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาประมาณสามวันนะในการปรับตัวแล้วพอถึงวันที่สี่นะก็จะเริ่มสนุกแล้วแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ที่เดินมาสามวันนี้มันยังน้อยไป และอันนี้นะคืออันซีอย่างหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นด้วยใจของเราก็คือความสามารถของเราไม่ใช่แค่กายแต่ว่าใจด้วยในการในการปรับตัวเป็นใ จ, ใจที่พร้อมจะสู้นะแล้วก็จะแล้วก็จะสู้สยิ่งขึ้น แต่ต้องให้เวลานะกับกับกายและใจของเราวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่วันต่อไปต่อไปก็จ ะ, จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการเดินวันนี้เนี่ยนแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันช้าแต่ละกิโลกิโลเมตรจะรสัวมันนานนะแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ย เราจะพบว่าเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นแต่ละกิโลเมตรเนี่ยนะมันจะสั้นลงอันนี้ก็เพราะว่าเราเริ่มจะปรับตัวได้วันนี้เนี่ยหลายคนลองสังเกตใจของตัวบ้างหรือเปล่าว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยใจมันรู้สึกอย่างไร มันบนมันโวยวายไหมเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึ ง, ม, ถงมันคิดตกหรือเปล่าว่าถ้าแดบดบแบบแรงๆแบบนี้หน้าเราจะมีฝ้าท <Yeah. S 2> ่าเราจะพองด <Yeah. S 2> ันัถ้าเราเห็นความคิดความรู้สึกของเราแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้เห็นรู้แล้วนะและเราก็จะได้เห็นต่อไปว่า ไอ้ความคิดแบบนี้แหละที่มันซ้ำเติมตัวเองเดินเหนื่อยกายก็พอแล้วอย่าซ้ำเติมตัวเองแต่แตว่าเราจ ะ, <ม>จะไม่สังเกตนะว่าขณะที่เราเดินแต่ละเดินเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเองกายเหนื่อยใจนี่มันก็คอยซ้ำเติมเรา ใจที่มันคอยนึกเห็นแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึ ง, ห ร, ถงหรือว่าเมื่อไหร่จะพักใจที่วิตกกังวลว่าแดดนะมันจ ะ, จะทำให้เราเท้าพองนะหรือว่าหน้าเป็นฝ้าพว้ที่แหละนะมันเป็นการความคิด ความคิดอย่างนี้แหละนะถึงหรือเปล่าข้า ง, ง, งหลังขนะ้างหลังอะฮะได้ยินไห ม, ไม ค, ความคิดอย่างนี้แหละที่มันซ้ําเติมให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นในระหว่างที่เราเดินแต่ไมื่อใดก็ตามนะที่ใจเราเป็นปกตินะมันจะถึงหรือไม่ถึงก็ช่างมันนะ แดดมันจะร้อนยังไงนะก็ช่างมันนะฉันจะเดินไปข้างหน้านะสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าแม้เท้าจะเจ็บนะแม้กายจะเหนื่อยแต่ว่าใจจะไม่ทุกข์แล้ววันนี้เนี่ยนะให้เราสังเกตดูใจของเรานะว่ามันซ้ำเติมกายอย่างไร และการซ้ำเติมเนี่ยก็เกิดจากใจเนี่ยนะที่ไป น, นึกวิตกกังวลต่างๆใจที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อก็ตามที่ใจเราอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับเท้าที่กำลังเดินอยู่กับเนื้อกับตัวรับรู้ว่าเท้ากำลังเดินนะขากำลังขยื่นขยับ ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลนะไปถึงอนาคตนะแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราจะเดินได้ด้วยใจที่สบายมากขึ้นลองเรียนรู้นะในการเดินเนี่ยเดินยังไรเนี่ยมันจะเหนื่อยแค่กายนะเดินยังไรมันจะเจ็บแค่เท้า หรือว่าปวดที่ไหลเพราะว่าสะพายของเมื่อใดก็ตามที่เราเดินอย่างมีสติใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับท้าที่กลาลังก้าวเดินจะนับด้วยก็ได้จะนับแต่ละก้าวแต่ละก้าวหรือว่าไม่นับเพียงแค่รู้สึก ถึงเท้าที่กําลังเคลื่อนหรือรู้สึกถึงตัวที่กําลังขยับไปข้างหน้าเรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ต้องไปสนใจจุดหมายปลายทางข้างหน้าว่าเมื่อไหร่จะถึงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแดดร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหรือว่าถ้าเดินไปกว่า น, นี้เท้าจะพองหรือเปล่านะลองวางความคิดเหล่านี้ลง แล้วความวิตกกังวลก็จะหายไปถึงตอนนั้นเนี่ยใจมันจะไม่ทุกข์แล้วนะใจมันจะเป็นปกติมันก็จะมีแต่เท้านะที่ปวดหรือว่ากายที่เมื่อยหรือเหนื่อยนะอันนี้เป็นวิธีนะที่จะทำให้เราเดินได้นานแล้วก็เดินด้วยใจที่ไม่ทุกข์ บ่อยครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแย่แล้วเราไปคิดว่าเป็นเพราะเท้าปวดเป็นเพราะว่ากายเหนื่อยแต่เราไม่สังเกตหรอกนะว่าที่จริงเนี่ยไอ้ที่มันแย่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือใจนะใจที่ทุกข์ใจที่บน่นใจที่โวยวายนะจริงๆเนี่ยกายเนี่ยเราไหวนะ กายเนี่ยไว้แต่ที่ไม่ไหวเนี่ยคือใจได้ความทุกข์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรานึกว่าเป็นเพราะทุกข์กายแต่ที่จริงเนี่ยทุกข์ใจเนี่ยนะก้อนใหญ่เนี่ยของความทุกข์เนี่ยคือความทุกข์ใจเรียกว่าสองในสามของความทุกข์ขณะที่เราเดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือความทุกข์ใจ แล้ทุกใจเพราะว่าวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นเอาแต่วิตกกังวลเอาแต่ห่วงกังวลถึงอนาคตเอาแต่ห่วงกังวลถึงผลที่จะตามมานะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นมันยังไม่เกิดนะไอ้ฝ้าหรือว่าเท้าพองเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วทุกเลยนะแล้วเราก็ไปคิดว่าโอเป็นเพราะว่าเท้ามันปวดเป็นเพราะว่ากายมันเหนื่อย อันนั้นแค่หนึ่งในสามนอีกสองในสามเกิดจากความทุกข์ใจความวิตกกังวลความไม่พอใจนะไม่พอใจที่ทางมันไกลไม่พอใจที่ไม่พักสักทีนะหรือไม่พอใจที่มาเดินเอามนเลือกเอาเส้นทางนี้นะให้มีสติรู้ทันนะรู้ทันไอ้ใจที่มันบน่นโวยวายใจที่อ่หงุดหงิดขัดเคือง ใจที่วิตกกังวลเมื่อเราเมื่อเราก็ตามที่เรารู้ทันนะใจมันจะกลับมาเป็นปกติได้ง่ายแต่ไม่เป็นปกติประเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็บนใหม่นะเพราะมันเป็นนิสัยของเราอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติมันดูรู้ทันนะมันก็จะมันก็จะรบกวนจิตใจเราน้อยลงมันจะรังควานจิตใจเราน้อยลงไอ้ความคิดความกังวลแบบนั้นแหะ แล้วสิ่งที่เหลือก็เปเพียงแค่ความเหนื่อยกายความเจ็บเท้าหรือว่าปวดไหล่แต่ว่าใจมันไม่ทุกข์แล้วล่ะนะและแน่นก็คือนั่นก็หมายความว่าความทุกข์มันลดลงไปอย่างน้อยนี่ก็ครึ่งหนึ่งละเหลือจะสองในสามนะลองใช้โอกาสนี้ในการในการเรียนรู้ในการนะสังเกต ในการดูใจของเราและเราจะพบว่าไอ้ความทุกของการในระหว่างการเดินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกกายเลยเป็นทุกใจนะแล้วพระเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจเป็นโหรหน้าสําเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี่ก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ด้วยนะอ่าสุขหรือทุกเนี่ยใจนี่เป็นใหญ่ ระหว่างที่เดินนะมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกอยู่สามอย่างนะที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดธรรมยาตราหนึ่งร้อนสองเหนื่อยสามเจ็บนะแต่ถ้ามันทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นแค่ความทุกข์กายร้อนเพราะแดด เหนื่อยเพราะทางไกลเจ็บเพราะว่ า, าหินนะหรือว่ารองเท้ามันกัดหรือว่าหินมันทิ่มนะอันนี้เป็นเป็นความทุกข์เพราะเหตุเพราะปัจจัยภายนอกนะแต่ถ้าใจาเราเป็นปกตินะมันทนได้สบายมาก แต่พอใจแล้วก็เพื่องขึ้นมานะใจเราบนใจเราโวยวายนะตรงนี้แหละนะที่ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆก็จะเกิดขึ้นตามมานั่ น, นี่เราเรียกว่าทุกข์ใจนะทุกกายนี่เพราะสิ่งแวดล้อมเพราะแดดเพราะว่าหินเพราะรองเท้าแต่ทุกข์ใจนี่ไม่มีใครทำนะมันมาจากใจของเรา มันเราเราวางใจไม่ถูกลองตั้งสตินะตั้งสติให้ดีนะเวลาเดินนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ทันความคิดนะที่มันผดขึ้นมาความวิตกกังวลนะความขัดเคืองความไม่พอใจ ไอ้ตัวนี้แหละที่มันซ้ำเติมเรานะถ้าเราไม่ปล่อยให้มันมาครองใจนะมันก็จเจริญแต่ความทุกข์กายคนฉลาดนี่ถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างเดียวนะคนฉลาดถ้าจะป่วยก็ปวดอย่างเดียวนะคือปวดกายเราลองมาฝึกให้เราฉลาดในการเดินดูนะก็คือว่าปวดแต่กายนะแต่ว่าใจปกติทำได้ไหมทาได้เนะและ อยากจะให้เราลองทําดูนะเรียนรู้ดูฝึกดูนะจากวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นการเป็นเป็นการมาฝึกใจของเรานะและเชื่อว่าถ้าเราวางใจอย่างที่ได้แนะนำเนี่ยนะอันซีนหรือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เราเห็น นะจะเห็นอะไรบ้างนะก็ค่อยว่ากันนะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะจากการเดินไม่ใช่จากการคิดเอานะีนะ่ยเราก็จะแนะนํากันไปเรื่อยๆนะ mm. เพื่อว่าเราจะได้ประโยชน์จากการเดินค่ะเดียวกันเราก็จะได้ทําประโยชน์ด้วยการเดินของเรา ประโยชน์ที่เกิดจากการเดินนะอันนี้เราประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ที่เราทำจากการเดินของเรานี่ก็เรียกประโยชน์ท่านก็คือการการทำให้คนได้ตื่นตัวนะเรื่องธรรมชาติเรื่องการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรามาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วนะเราก็ได้ประโยชน์ตนไปด้วยประโยชน์ตนในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึง เงินทองชื่อเสียงความสำรังวัลอะไรแต่มาถึงใจที่จเจรเยงอกงามมากขึ้นนะใจที่ฉลาดนะในการที่ทำสิ่งที่ยากสิ่งที่ลำบากแม้ว่ากายจะเหนื่อยนะแดกจะร้อนแต่ว่าใจเราเป็นปกติได้ แล้วก็คำนี้นะก็พูดกันเท่า น, นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรากราบพระ